เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามนานาสภาวะจิตการเจริญสติในเดือนที่สองทำให้ฉันเห็นตามจริงอย่างหนึ่งคือโลกเนี้ยแบ่งเป็นสองภาคคือภาคแห่งรู ป, ปรธรรมและภาคแห่งนา ม, มาธรรมโลกแห่งรู ป, ปรธรรมมีความวิจิตพิสดารหลากสีหลายสันอาจถูกตกแต่งปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ตามสภาพบินฟ้าอากาศและจินตนาการสร้างสรรค์ของมนุษย์ส่วนโลกแห่งนามธรรมาก็มีความวิจิตพิสดารในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลสัมผัสไม่ได้ด้วยตากับหูกาหนดรู้ได้ด้วยใจและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจะผ่านไปกี่กับกี่กันก็ตามการรู้ตัวให้ได้ว่ากำลังสุขหรือทุกข์นั้น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 เพียงแต่ฉันอาจจะดูในขอบเขตที่กาหนดไว้ในใจว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มากกว่าเช่นกาลังมีราคะก็กำหนดว่าเป็นสุขมีโทสะก็กำหนดว่าเป็นทุกข์ขึ้นเดือนที่สามฉันสำรวจแล้วพบว่าตัวเองเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นประการหนึ่งซึ่งค่อนข้างสำคัญและพลิกมุมมองในการตั้งสติเจริญภาวนาได้มากนั่นคือ